ที่ปรับมาให้ได้มันเกิดขึ้นไม่<มา> 20 จังหวัด 95 สถานีขอเชิญ ทุกวันในเวลา 8:00 น. ท่านมิยอมแพ้ ชาอยู่มาพ้นทางสวทบึงการ FM 104.25 ได้ 2 นะครับแล้วก็ 2 ครับแล้วก็สถานีมทนะฮะแล้วก็ ช่วงละครของรายการอีสานมื้นสื่น 2 นะครับแล้วก็ทางสวทบึงกาฬที่ 402 นะครับแล้วครับอีสานมวลซื่นและก็ จะมาพูดคุยกันนะครับถึงความคืบหน้า สวัสดีครับท่านผู้ฟัง 24 กรกฎาคม 2557 นะ เพื่อติดตามนะครับการดําเนินการ ผู้เข้า 2 ท่านอยู่ ในช่วงเอ่อแรกของการพูด 3 กิจกรรมนะ มีการไปพบปากการนํานะครับ 8 อําเภอ 2 ก็คือเรื่องการ 8 อําเภอ เอ่อสารเสวนามี 3 ก็คือการสำรวจความต้องการและความเห็น ประชาชนได้เสนอแนะต่าง 12 กลุ่มปัญหาเราก็ได้ทําครบท้วน ในส่วนของการดําเนินการปกครองเนี่ย ปัญหาเอ่อใหญ่ที่อยู่ในด้านสังคมวัฒนธรรมก็ และก็เรียนบัวเรศรผมให้ฟังว่า สมุจรรย์นั้นในส่วนของอ่า<ใช> กชช. นี้นะกัน 4 นะครับ CSL CSL ทั้งระบบประชาธิปไตยการรู้กฎกติกาครับ อ่าหมู่บ้าน 1 หมู่บ้านครอบอำเภอ อ่าแบบสอบถามสำรวจเกี่ยวกับ อ่าขัดแย้งกับอ่า ยังเป็นการติดนะครับอ่าต่างๆเหล่านี้ก็ CSI นี้มา ทางตํารวจนี่ได้มีการดําเนิน<ใช> ทั้งฝ่ายปกครองนรคอๆเนี่ยใน 120 กม. ประมาณ 5-6 อำเภอเนี่ยมันมันรอบรอบรอบ นี้ให้ได้ให้ได้เท่าว่าสร้างสร้างอ่าโดย เค้าก็ยังยังต้องการในส่วนที่อยู่ผู้ กิจกรรมนึงที่ทางจังหวัดเดเด 9 เดือน 10 เดือนเนี่ยที่ที่ผมมา แล้วเราก็เข้าทุกเดือนนะครับชายปกครองครับนะครับก็ ในส่วนของความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆใน นโยบายของทางท่านผู้ 4 นะครับเรียก CSL CSL อ่าในส่วนของชุมชนสํานึกรักกินเกิด ให้ได้ทุกชุมชนครับทีนี้เนี่ยท่าน สำรวจกราบความต้องการสำรวจว่าการ ไม่ค่อยจะจะอ่าขัดแย้ง ต่างๆต่างๆเหล่านี้ก็จะมานี้ ทางตํารวจนี่ได้มีการดําเนินการในเรื่องของ ตั้งแต่ปกครองอะไรต่างๆเอ่อตมอะไรต่างๆใน 120 กม. ประมาณ 5-6 ว่าต้องสร้างเครือข่ายรอบ เค้าก็ยังยังต้องการในส่วนนี้อยู่พูดที่ การจู่โจมเดเด 9 เดือน 10 เดือนเนี่ยที่ที่ผมมาเอ่อรับ เราก็เข้าทุกเดือนนะครับเราก็เข้าเราก็ตรวจกันเดือนนะครับก็ไปเร 300 ชุดสําหรับนัก 120 ชุดสําหรับนักโทษ ผู้ค้ารายสําคัญเนี่ยได้ได้ได้ย้ายไป นะครับที่ๆหน่วยงานท่านผู้ว่าที่จัดกิจกรรม 30 ตุลาคม ครับแสดงงบประมาณมาส่วนหนึ่ง 14 งานก็ 2 เดือน แต่ว่าในระยะที่ 2 ก็คง 5 คนครับ 5 คนเรา 1 คนครับคัด 1 คน 11 11 กลุ่มงานงาน 50 คนก็เป็นแล้ว 550 550 ก็ 76 นะครับก็เป็น 600 เป็น ก็จะคัดเหลือแค่ 200 คนอ๋อประมาณ 250 คนครับผม 11 ประเด็น 1 ระยะ 1 ทั้ง 11 กลุ่มปัญหาบวกกับจังหวัดครับ 2, 2> แต่หลายๆหลายๆจังหวัดที่ ฝ่ายท่านผู้การทางดีครับเรียบร้อยดีนะ ศูนย์กิจจินศูนย์รวมทั้งมีมานานแล้วถ้าระดับอําเภอครั้ง ครับสามารถ 24 ชั่วโมงนะครับ 7 วัน 1 ชั้นข้างล่าง 2 คนก็ ถ้าสามารถติดต่อเจ้าของเรื่องได้ตรงว่าจะมุด ติดต่อสื่อๆได้ทุกเรื่องมีมี 1 ถึงแม้มันจะ ภาพรวมการ 2 ที่ 3 ก็คงจะต้อง ก็รายการต่างๆ30 กันยายนเนี่ยเกี่ยวดั้งเช่นงานเกี่ยวกับ ก็จะมีอีกหลายกิจกรรมครับซึ่งฝากพี่น้องประชช ที่เรารู้กันมาก็คือ ของคนของอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของ แล้วก็ฟังว่าใครมีเหตุผลที่ดีใช่ไปขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาก็ฟังว่าใครมีเหตุ ทีนี้เราก็ไม่ใช่ช่วยเราทําๆตอนเนี้ยมัน ก็ดีสำหรับส่วนรวมนะครับก็ขอฝากไว้ ผู้คอนวินิทคนแล้วก็ไปเจอก็ขอ อีสานมวลซึนคืนความสุขแผ่นดินนะครับ 90.25 MHz สวท. ที่เปิดกว้าง